แนะนำบทอัลมาอูลบทอัลมาอูลเป็นบทมักกิยาะมีเจ็ดองค์การที่กล่าวโดยสรุปถึงมนุษย์สองจำพวกคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและเนรคุณต่อความโปรดปานของอัลลอ์ปฏิเสธแห่งการชำระและการตอบแทนคนมุนาฟิกคือคนกลับกรอกที่ไม่มีเป้าหมายในการการะทำของเขาเพื่ออัลลอ์ แต่ต้องกา ร, รจะอวดอ้างในการการะทําการงานของพวกเขาและการละหมาดของเขาพวกแรกนั้นอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงลักษณะอันน่าเกลียดของพวกเขาและพวกเขาเหยียดหยามเด็กกาพร้าโดยแสดงกริยาและการการะทําที่แข็งกระด้างไม่เรียบร้อยและไม่กระทําความดีเลยแม้กระทั่งเพียงกล่าวถึงสิทธิของคนยากจนขัดสนดังนั้นพวกเขา